วันนี้เป็นวันพระอดมาเห็นพวกพ่อแม่ออกก็ชื่นใจแล้วอุตส่าห์มาวัดกันวันนี้อดมาก็จะดําเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเพราะในวันพระมาให้โยงฟังกันให้เข้ากับบรรยากาศเราเรื่องแบบฟังง่ายๆธรรมะเบาๆมีวัดแห่งหนึ่งเจ้าว่าเป็นนักเทศชื่อดังที่วัดก็มีญาติโยมมามาฟังธรรมกันมากมาย เจ้าว่าท่านก็อยากให้ลูกศิษย์ได้เทศเป็นได้ฝึกฝนตนเองจึงมีนโยบายให้พาลูกวัด ก, กัน เ, เนี่ยวีกันเทศคนละวันในวัดก็มีเนยอยู่คนหนึ่งเทศเก่งมากญาติโยมติดกันองอมแอมเลยเพราะเทศฟังง่ายไม่เคยมีคำบาลี แล้วก็มีหลวงตาอีกคนหนึ่งชื่อว่าหลวงตาคำเป็นคู่แข่งกันแหละแล้วก็รู้สึกบั่นไส้เนนที่เท่เก่งด้วยวันหนึ่งหลวงตาก็ได้โอกาสเพราะเนรเนี่ยเดินผ่านหน้ากุฏิพอดีเลยหลวงตาก็พูดแกละบอกว่าเนนเนี่ยพุทธมากเก่งเท่เก่งแต่ไม่เห็นมีญาติโยมอุปถาก ไปช่วยเหลือด้านาาราชกะละอะไรเลยสู้ค่าก็ไม่ได้ค่านี่มีคนมาถวายของอยู่เป็นประจำอยากได้อะไรเดี๋ยวโยมก็มาให้ถึงกุฎแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค้าเพิ่งได้พัดลมกับฝานมาเนี่ยใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยเนนเขาบอกหลวงตาไปว่าหลวงตารู้เปล่าขวานที่ที่โยมมาให้เนี่ยมันเป็นปริศนาธรรมนะหลวงตา ได้ยินังนั้นก็จ้องหน้านเนงปิศาจทำอะไรวะไหนละเองเอะเองพูดมาสิหลวงตารู้เปล่าหลวงตาเนี่ยสอนชาวบ้านให้ให้ใหมายึดบ้านถือบ้านให้ปล่อยวางให้เลิกเหล้าเลิกบุหรี่แต่หลวงตาเนี่ยยังดูดบุหรี่อยู่เลยแถมสะสมราศกะด้วยหลวงตารู้เปล่ปาขวานเนี่ยมันเนี่ย ถางทุกอย่างได้แต่มันถางด้านมันเองไม่ได้นี่แหละโยมเขาสอนหลวงตารู้เอาไอ้เด็กเวนบางอาบมาสอนกูเหรอตอนนี้หลวงตาจะขึ้นเสียงแล้วตอนแรกพูดยังดีๆอยู่เนนก็ยิ้มๆแล้วบอกว่าตอนนี้หลวงตาโกรธเหรอเออสิวะหลวงตารู้เอาการโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดี หลวงตารู้ป่ะพัดลมเนี่ยมันก็สอนสอนธรรมะเหมือนกันนะมันพัดให้คนอื่นเย็นสบายแต่ตูดมันอร้อนมันก็เบื่อหลวงตาแหละสอนแล้วทำไม่ได้พอพูดจบปุ๊บเองก็วิ่งไปเลยเพราะถ้าอยู่โดนหลวงตาเตะ น, นี่ทิฐานเรื่องนี้ก็แง่คิดนะว่าส่วนมากผู้ที่สอนคนเนี่ยมันก็ทำไม่ค่อยได้หรอกเราจะเห็นพานักเทศเนี่ยบางทีก็ สะสมรัศกล ะ, ากาะบางทีก็ติดบุรีติดนู่นติดนี่เยอะแยะหมดเลยไอ้ที่ฝึกตัวเองจริงมีน้อยอย่างวันพระที่วัดหนองพงเนี่ยสมัยก่อนหลวงปู่ชาท่านบิวบายสอนลูกศิษย์นนะอย่างพระฝรั่งเล่าให้ฟังอย่างหลวงพ่อสุมเบโตเนี่ยสมัยท่านเป็นพระนาวกาภาษานล่นน้อยพะวันพระใหญ่ทีนึงก็ต้องสะดุ้งทุกทีเลยเพราะว่าหลวงปู่ชาเนี่ย จะไม่บอกหรอกจะนิมนต์ขายเทศท่านมองไปมองซ้ายมองขวาแล้วก็ชี้มาที่รูปเนี้ยรูปนี้ก็ต้องเทศอะ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่ชาชี้มาที่หลวงพ่อโซเบโตหลวงพ่อโซเบโตก็สั่นเลยเพราะว่าท่านเทศไม่เป็นภาพใหม่บางทีพูดไทยก็ไม่ค่อยชัดเลยแต่ครูบาอาจารย์สั่งก็ต้องขึามมา้นธรรมศาส์แะพูดไปชั่วโมงหนึ่งก็เหนื่อยอะ่ะลุ้นแล้วลุ้นอีกพูดวนไปเวียนมา ก็โลออกไอปทีที่ไหนได้พระลงอยู่าทำมาสปุ๊บหลวงปู่ชา้าบอกให้เทศต่อเทศอีกชเทศต่อไปตอนแรกโยก็ตั้งใจฟังอยู่ดีนะแต่พอไประยะหนึ่งเนี่ยคนฟังก็เริ่มทยอยกลับบ้านพวกพวกที่นั่งฟังอยู่ก็มีแสงสีหน้าไม่ค่อยสนใจแล้วบางก็นั่งพิกไปพิกมาจนเหลือไม่กี่คนจะเลิก ครูผูชาก็เทตต่อประมาณสามชั่วโมงมั้งจนเหลือตุกแกแล้วก็จิงจบเป็นเพื่อนหลวงพ่อโซเบโธบอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่เลวร้ายเท่านี้มาก่อนในชีวิตนับแต่วันนั้นผ่านไปเนี่ยหลวงพ่อท่านก็เปที่ไหนท่านก็สบายใจเพราะว่าท่านผ่านวิกฤตมาแล้วอันนี้เป็นอุบายของครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้สนใจให้พาร์ทเทใ้แมออกข้อออกฟากันหรอกเขาสนใจใ้พาฝึกตัวเองได้ฝึกไง ไม่สัน่นไม่ประมาะเรื่องไม่แล้วก็เตรียมเรื่องประเทศพวกการประเทศต้องหาธรรมะหาข้อคิดข้อเขียนะอะไรต่างๆก็คิดเนี่ยเอามาพูดไงต้องจํามาระหว่างที่ค้นฟ้าเนี่ยความรู้ก็ได้เพิ่มขึ้นพัฒ น, นาขึ้นด้วยอธิบุรุษครูบาอาจารย์ไงแล้วก็ได้ผลแล้วก็มีพระพระหลัางอีกหลายคนน่าจะเป็นหลวงพ่อพรมวังโสก็ใ์ไคลอาจารย์สุบเบโตแหละใหม่ๆก็กลัวหลวงพ่อชา ให้เทศคือเทศแล้วเทศไม่ได้ไนงะพ อ, อเทศได้ก็ใช้เวลานะ่ะต้องอาศัยประสบการณ์ชั่วโมงบินนะ่ะอยาจะพูดเป็นนะไม่ใช่ง่ายบางทีจามาแล้วก็ลืมอะไรเงี้ยแล้วบางทพีพูดก็จะติดอารมณ์ไนงะว่าเราเนี่ยพูดไปแล้วไม่ดีเนาะโยไมไปคิดกับเราไงเนาะอะไรเงี้ยแต่พูดดีก็มีความสุขปื้มปื้มใจแต่ผู้ฟังบทีก็ไม่สนใจแล้วผู้ฟังฟังก็เลิกไปอันนี้เป็นการฝึกตนของผู้เทศ แล้วเรื่องต่อมาก็มีโยมอยู่คนหนึ่งครถูกรัตต์รี่แล้ร ว, วัลที่หนึ่งหกล้านแต่คนที่ซื้อก็คือพ่อแกแหละแต่พ่อแกไม่รู้นะพ่อไปโลกหัวใจแล้วโยมคนนี้ก็ไม่รู้จะพูดกับพ่อไงเพราะพ่อแก่มากแล้วเดี๋ยวพ่อช็อกตายยุ่งเลยคิดแต่แหละคิดไม่ออกจึงไปปรึกษาหลวงตา ที่ตัวเองรู้จักอ่ะโบหลวงตาช่วยพูดธรรมะให้พ่ออมฟังหน่อยว่าท่านาถูกลอตตรี่วันที่หนึ่งจะได้ไม่ช็อกตายเพราะเป็นโรคหัวใจไงหลวงตาบอกอสบายมากพรุ่งนี้พาพ่อมาวัดเลยวันรุ่งขึ้นโยมเขาก็มาวัดแล้วแหละหลวงตาก็ถามเลยโยม ป, ปีนี้อยูุเท่าไหร่แล้วโยมออกเจ็ดิแปดแล้วครับ เจ็ดแปดดีผ่านร้อนผ่านหนาวมากแล้วเราก็พูดธรรมะ ก, กันแหละว่าโลกก็ไปเที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโยมกลัวตายไหมโยมกลัวการสูญเสียอะไรไหมคือพูดจนแบบสถิต ก, กัน่ะสถิต ก, กับโยมแล้วก็พูดความจริงบอกโยมรู้เปล่าโยมถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งนะต้องหกล้านเนี่ยดีใจไหม โยมเขาฟังธรรมะมานานตอนนี้จิตก็เป็นปกติไงก็ไม่ค่อยดยีดีร้ายอะไรแล้วก็พูดขึ้นมาว่าผมตั้งใจไว้นะผมผมจะสร้างโบสถ์สักหลังหนึ่งก่อนตายตอนนี้ผมกแก่มากแล้วเงินหกล้านได้มาอาจจะแบ่งให้ลูกหลานทั้งสามล้านอีกสามล้านเนี่ยผมสวายหลงตาเพื่อสร้างโบสถ์ก็แล้วกัน หลวงตาตาลึงเลยนะเพราะตอนนี้ในชีวิตหลวงตาไม่เคยมีคารวหวสามล้านหลวงตาก็เลยช็อกไปเลยเพราะหลวงตากขเป็นโรคหัวใจเหมือนกันเ <Okay. S 1> <laughs> พราะหลวงตาลืมไปว่าหลวงตากขเป็นโรคหัวใจธ <laughs> ามะเกี่ยวกับพวกพระก็มีอีกหลายเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็มีบุบ้านแห่งหนึ่งในชนบทมีผู้ใหญ่โกเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านวันนี้ผู้ใหญ่โกก็นี่บ่นพระมาฉันเพน คือบ้านใหม่แขกเหลือบานเพียบเลยแล้วก็มียาแปะมาร่วมด้วยยะแปะนี้มาจากเมืองจีนนะพูดไทยไม่ค่อยชัดจุดไข่แม็กก็อยู่ที่ตรงที่ว่าต่อยพายพรนั่นแหละพายพรว่าอายุวัตตะโกธนวัตตะโกศรีวัตตะโกเนี่ยยาแปะเนี่ยหูแ ก, ะแกะตะลึงเลยแล้วแกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้พาให้พรขนาดเชื่อเหรอ ให้พรเรียกชื่ออกโกทุกคำเลย <c oughs> หลังจากเลิกงานเนี่ยแกก็สิบอกผู้ใหญ่โกบอกผู้ใหญ่รื้อช่วยจัดผ้าชุดนี้นะมาทำบุญบ้านอัวบ้างชุดอื่นไม่เอานะต้องชุดนี้ชุดเดียวนะคัถึงวันงานอาแปะก็ยิ้มร้อยยิ้มใหญ่ห่อหอตลอดงานมีความสุขว่าเนี่ยแต่แล้ว ถึงเวลาสำคัญก็มาถึงอ่ะตอให้พรพระก็อายุวัฒนโกธนวัฒนโกสิริวัฒนโกยาวัฒนโกอแปะผิดหวางมากเลยอแปะบอกไ <c oughs> อ้วชื่อแปะนะไม่ใช่ชื่อโกหรือจำผิดหรือเปล่าพระที่สวดมนตน์อยู่ก็รู้ว่าอาแปะต้องการอะไรถือสกิจคนนำอ่ะแปนว่ารู้กัน ก็ขึ้นใหม่คนนาก็อายุวัตตาแปะทาราวัตตาแปะเซรีวัตตาแปะวันณวัตตาแปะอะไรจนจบเลยอะอาแป๊ะก็หัวเราะดีๆต้องอย่างนี้วันนั้นก็จบลงด้วยความสุขขอแปะอั น, นี้เป็ความรักยังสาของการเข้าใจเข้าใจศาสนาผิดๆแหละเข้าใจพิธีต้องผิดๆไงแต่ก็ขำๆมันก็มีเรื่องนี้คนก็เล่ากันเยอะเหมือนกันอันมาว่าเราไม่ออกฟัง แบบสบายเบาๆมีอีกเรื่องหนึ่งคล้ายกันเรื่องนี้มีผู้หญิงคนหนึง่งชื่อว่าคุณนายโตวันนี้จัดวันเกิดครบรอบ50ปีคุณนายโตเนี่ยเป็นเมียตำรวจแขกที่มาในงานก็มากมายคุณนายก็เชิญพระครูที่มักคุ้นกันเน่เพราะว่าทุกเช้าเนี่ยพระครูจะนำผ้าในวัดเนี่ยมารับบาดหน้าบ้านคุณนายโตเป็นคนที่ใจบุญนะ สปอร์ตแต่ก็เป็นคนที่ขี้หุนหงิตเจ้าอารมณ์เอาใจใจตัวเองคือเป็นคนที่คนดื้อไม่ค่อยฟังใครง่ายจุดใครแม็กก็คือตอนที่ฉันอาหารเสร็จแล้วแหละทายพอร์เหมือนกันพระครูก็ขึ้นว่าย ah าทาวลีวหาปูลาปาลิปูเรนติสากลังเอวะเมวะ อีโตทินลังคุณนายโต ข, ขันที่กําลังกวดน้ําอยู่กระเด็นเลยบอกพระครูเมื่อกี้ยังเรียกใช้คุณนายเลยตอนนี้ไม้พอปเป็นเลีกอีได้งไงใช้ไม่ยอมนะพระครูอธิบายบอกคุณนายไม่ใช่นี่มันแต่ว่าคุณนายโตไม่ฟังแล้วบอกใช้ไม่ได้พระครูเนี่ยไม่ให้เกียรติกันแล้วตั้งแต่นั้นมาคุณนายโตก็เลิกใส่บาตพระครูวันนี้ ขั้นถึงวันเกิดอีกปีปีต่อมายวก็เดินทางไปหาเจ้าคุณอยู่วัดหนึ่งไกลพอสมควรแล้วก็เล่าให้ฟังว่เาเรื่องเป็นไงมาไงเจ้าคุณก็รู้แล้วต้องทำไงแล้วคั้นวันงานมาถึงตอให้พรเจ้าคุณก็ขึ้นว่ายธาวรีวหาปูรา ปาลีปูเลนตีสาคลังเอวะเมวะคุณนายโตทินนางโอ้คุณนายตบตบมือชอบใจเลยนี่มันต้องงี้อันนี้คือการเข้าใจธรรมะผิดๆซึ่งทั่วไปจะมีแบบนี้นะที่คนคกเข้าใจพุทธศาสนาแบบข้างนอกไงเข้าใจพิธีตองธรรมะที่แก่นจริงแล้วก็คือ เข้าใจความจริงของชีวิตให้เห็นความไม่เที่ยงอย่างเมื่อกี้ที่พระอาจารย์สรวุฒนาำอะบทนี่เป็นบทสําคัญมาก น, นะอภินิหารปัจเวงเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีการพัดพาจากของรักของชอบใจทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนี่ยอันนี้สําคัญมากเลยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรากําหนดไม่ได้เลยหอย่างเนี้ย อย่างอายุเนี่ยเราก็กำหนดไม่ได้แล้วว่าเราจะอายุเท่าไหร่โดยเฉลี่ยแล้วคนเราจะมีอายุประมาณ75ปี75ปีถ้านับเป็นวันก็ 27,375 วันแต่ถ้าโยมนับเป็นปีนะสมมุติเราจะมี10ปีเนี่ยประมาณ7ครั้งหรือ8ครั้งอ่ะอ่นมาว่าไม่เกิน8ครั้ง10ปีแรกใช้ไปกับฟาร์มไร่เดียงสาสนุกสนาน สิบปีสอง ก, ก็ก็ใช้ไปกับการเรียนเรียนรู้อ่ะศึกษาเล่าเรียนสิบปีสามก็ใช้กับเรื่องความรักบัางเ ร, เรื่องสร้างฐานะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเรื่อยๆอะ่ะแต่จริงๆเราหาการสายไม่ได้เลยเพราะไปหาความสุขข้างหน้าตอนเด็กก็ใฝฝันว่าตอนโตเราจะมีวิชาชีพอาชีพนี้ก็ดีอาชีพนั้นก็ ด, พกดีพอมีอาชีพแล้วเรียนจบแล้วเอเดี๋ยวก็หาหาคนรัก หาคนล้ ก, ก็มีลูกมีหลานความสุขอยู่ข้างหน้าหมดเลยไม่อยู่ปัจจุบันเลยคนเราจึงไม่ค่อยอยู่ความสุขเพราะหาความสุขข้างหน้าเลยถ้าเรื่องอายุบางคนก็ตายก่อนนะอายุเล่นน้อยก็ตายแล้วทำบุนมาน้อยบางคนนี่ก็ตายตอนแก่แต่บางคนอยากตายตายไม่ได้ต้องนอนผางาบผางาบนอนนอนเป็นผักตั้งหลายปีก็มีทสี่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนก็ะมดไม่ได้ แล้วข้อที่สองความเจ็บใข้ความเจ็บไข้ขนี่ก็กำหนดไม่ได้เหมือนกันอย่างวันนี้พวกโยมมาวัดแอาาสุภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยเอาอย่าว่าครบสามสองแต่ต่อไปเราไม่มีหลักประกันนะเพราะมาอยู่ลานไปเยอะเหลือเกินอุบัติเหตุต่างๆเนี้ย <c oughs> ใช่วันก่อนเนาะมาดูวิดีโอคลิปอยู่วิดีโอก็ตกใจเลยผู้หญิงเขาไปถ่ายรูปที่ที่สาแห่งหนึ่งอะถ่ายวิดีโอ ที่ประเทศอเมริกานะกำลังยิ้มแบบมีความสุขอะแล้วสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นเจระเข้ยักษ์กระโดดขึ้นมางับทั้งตัวเลยลากผู้หญิงลงไปน้ําเลยคนที่ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอช็อกเลยเพราะว่าเหตุการณ์นี้ใครจะไปรู้อะเมื่อกี้ยังมีความสุขเลยอันนี้มันความตายแล้วเจระเข้กินเลือดสาดกระเด็นเลยกระป๋องกระเป๋าลอยน้ําเลยเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยบางสระมีจระเข้ยักษ์อยู่จระเข้เหมือนงูเหลือมนะเวลาเขาก็โจมล่าเหยื่อเนี่ย รวดเร็วฉับไวเหยื่อหนี้ไม่ทันหรอกเขาจ้องอยู่แล้วผู้หญิงนี่มันยืนิมส่างไงแล้วตัวมันใหญ่นะคาไปได้คาปากเลยอั น, นเดียวสิ่งทีคาไปถึงเมื่อไม่กี่วันก่อนหลวงพ่อปยอมเขาลื่นหกลม้มหัวฟาดพื้เนเย็บสิบเดเข็มหลวงพ่อปยอมนิสัยท่านก็ไม่ประมาทนะแต่รองเท้ามันลื่นแล้วฝนมันตกนะอัตราก็เคยเกิดอุบัติเหตุเหมือนกันเคยลื่นแขนแขนเกือบหักอนะ่ะ ตอนนี้ก็ไม่หายดีเลยต้องหลายปีแล้วช่วงที่เกิดอุบัติเหตุ เ, เราควบคุมไม่ได้เลยนะมันอยู่เหนือการควบคุมงเราอุบัติเหตุคนอื่นทําหรือเราทําเองเนี่ยที่บางคนรักษาเป็นแสนก็ยังไม่หายเลยนี่เรื่องจริงเห็นมากับตาตัวเองแล้วอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกเมื่อถ้าถึงข่าวซวยเราเราไม่อาจความเจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้สุขภาพเราแข็งแรงเราต้ดีใจ แต่บางคนเราจะมองข้ามไปไงว่าเราเนี่ยตอนนี้สุขภาพดีเราก็ยัไม่พอใจอยู่นั่นแหละวันไหนที่เราสุขภาพแย่เราจะคิดถึงมันว่าเราเนี่ยโอ้โหตอนสุขภาพดีเราไม่เคยคิดถึงมันเลยอ่ะตอนเสียไปแล้วอ่ะเสียแขนเสียขาหรือตอนป่วยกิ น, ก, นกินอาหารกินอาหารแม่อร่อยถึงนึกถึงตอนที่เรากินได้อันเนี้ยอันนี้เป็นธรรมดาของคนมักจะมักเห็นคุณค่าของตัวเองที่มีอยู่อ่ะแต่เราต้องไม่ประมาท แล้วข้อที่สา่ยอย่างเวลาที่จะตายอันนี้เราก็ไม่รู้เช้าสายบ่ายเย็นเที่ยงคืนไม่รู้หมดอะไม่รู้จะตายตอนไหนกําหนดไม่ได้ข้อที่สีสารที่จะตายเราก็ไม่รู้เหมือนกันเลยตายที่ไหนตายในบ้านตายนอกบ้านตายในป่าตายบนภูเขาตายในน้ําตายที่ทะเลหรืออยู่ๆเครื่องบินหล่นใส่ก็ได้เขซวยๆอาณาเห็นหมาแล้ว คนถึงเข่าตายเนี่อยู่ไหนก็ตายขนาดรออยู่ที่บ้านรถยังรถมันยังเสียหลักผู้ประชนเลยหรือนั่งเรืออยู่อะ่ะไอ้รถมันยังตกสภพายมาทับเรือตายเลยโยกฮิดดูอะคนถึงเข่าวช่วยนะมันทำ ม, มันเกิดได้หมดแหละเจอแจ็คพอตถ้าเราไม่รู้จริงจริงแล้วข้อที่ห้าเราไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนงั้นเราก็ต้องเชื่อว่าทําดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยก่อน ทำดีก็เหมือนกับทําบุญเนเี่ยเปรียบเหมือนเหมือนเรือนะแต่ทําทบาปเนี่ยเปรียบเหมือนก้อนหินก้อนหินโยงลงน้ําก้อนเดียวก็จมลแล้วเราก็ต้องเชื่อกฎแห่งกรรมอ่ะทําดีได้ทําดีได้ดีทาช่วยช่วทําดีปุ๊บเราก็สุขเลยไม่ต้องรอนตายหรอกอย่างโยมทําความดีทําบุญทำบุญทำบุญทำบุศสนนะเรากสุขเดี๋ยวนี้ถ้าเราคิดร้ายเราก็ทุกเดี๋ยวนี้คิดไม่ดีคนอื่นจิตเราก็หนักแหละแต่ถ้าเราคิดช่วยคน ขนาดยังไม่ลงมือทำเลยแล้วก็มีความสุขถ้าลงมือทำสําเร็จยิ่งมีความสุขใหญ่เลยสมมุติอย่างบูจบย่างเนี่ยให้ทางกษัตริย์เนี่ยสัตว์กินแล้วอย่าให้หมาเนี่ยอาหารหมาหมา ก, กินแล้วก็ดิ่หางเขาก็ขอบคุณเราทางสายตาการการะทํางเงี้ยเขาก็รักเราหรือไก่ให้อาหารเขาเขาก็วิ่งตามเขารักเราให้ความสุขคนอื่นสุขแล้วก็วิ่งมาหาเราจุกสังเกตไหยว่าคนเราเนี่ยจะมีอัตราอยู่อย่างหนึ่งคือ คือเรียกร้องพ่อแม่เนี่ยดีกับลูกแหละร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเนี่ยลูกไม่ค่อยจำเท่าไหร่หรอกแต่วันไหนพ่อแม่ดูด่าลูกครั้งหองครั้งน่ยลูกจะจำไม่ลืมเลยคนรักก็เหมือนกันคนรักเนี่ยเวลาแฟนดีดีร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งไม่ค่อยจำนะแต่ถ้าวันไหนทะเลาะกันนี่ยครั้งสองครั้งก็จำในเรื่องจำในเรื่องที่ทะเลาะไม่ลืมเพราะคนเราเนี่ยโดยโดยธรรมชาติแล้วจิตมันจะคิดทางลบคิดด้านลบไง จึงจำเป็นต้องฝึกธรรมะนี่แหละเพื่อให้คิดเป็นให้คิดบวกไปหลวงพ่อดีเนาะเพราะเราคิดเป็นปุ๊บปัญหาต่างๆของเราก็น้อยลงอะไรอะไรก็ดีเนาะอะไรมันก็มาแล้วมันก็ผ่านไปไม่จริงไม่จังคนเราที่ทุกข์เพราะว่าเรายึดมั่นถือมั่นนั่นแหละไอ้คนนี้ด่ากูนะบางทีด่าเมื่อด่าเมื่อนานแล้วเรายังจำไม่ลืมเลยไอ้คนด่ามันลืมไปแล้วเราไม่ขึ้นมาได้เอา้าอ้มันด่ากูดีกว่าโกรธอีกแต่เรื่องทําบุญไม่ค่อยคิดนะน้อยอนามาสังเกตะ ทำบุญทำกุศลไม่เคยคิดว่าเราเคยทำบุญที่ไหนแม่ออกเคยมานั่งสมาธิเคยมาทำบุญสุนทานมนึกไม่ออกนะจิตคนเรามันจะคิดด้านลบส่วนส่วนใหญ่ให้เราต้องทำบุญต้องมากหน่อยทำจิตให้เป็นกุศตลต้องมากหน่อยช่วยได้อะไ น, นี่เป็นที่พึ่งเลยแหละฝึกสติทำบุญคิดเรื่อดีๆณะพูดมาก็เห็นว่าใกล้ได้เวลาก็มีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งจะลองท่องกอให้โยมฟังมืจะล้มหรือเปล่าเพราะกอดได้ลืมไปแล้ว เพราะว่าถ้าร่มแม้ออกอก็หัวเลาะก็แล้วกันนักเทศไม่ได้เทศเนี่ยก็เสื่อมนักสวดมนต์ไม่ได้สวดมนต์ก็ลืมนักร้อง ไ, อ ي, ไ ม, อม่ไม่ซ้อมไม่ไม่นั่นก็ลืมเหมือนกันนะอันนี้เป็นธรรมดาแต่ละมาก็จะท่องกอง่อโยกฟังทั้งที่ลืมแหละจะรอดรอดจบจบก่อนไหมจะท่องสักสองก่อนก่อนแรกของหลวง like: พ่อพุทิธาตุปิดปิดปิดเปิดเปิดเปิดปิดปิดตาอย่าสอดสายให้เกินเหตุ บางประเภทแก้งทำบอดยอดกูสลมัวสอดรู้สอดเห็นจะเป็นคนเอาไฟลนโนจนไหมพองปิดปิดหูอย่าได้แสไปฟังเรื่องที่เป็นเครื่องกวนใจให้หมนหมองหรือเล้าใจฟุ้งซ่านผ่านลำพองผิดทํานองคนฉลาดอนาจใจปิดปิดปากอย่าพูดมากเกินจำเป็น จะไปนคนปากเหม็นเขาขึ้นไส้ต้องเกิดเรื่องเยินเยอเสมอไปหุบ ป, ปากมากไว้ได้แท่งทองเปิดเปิดตาให้ได้รับแสงแห่งพระธรรมยิ่งมืดคำ่ำยิ่งเห็นชัดถนัดทนันีสมาธิมากยิ่งเห็นชัดถนัดดีคือวิธีเปิดตาใจใช้กันมาเปิดเปิดหูให้ได้ยินสาเนียงธรรม ทั้งเช้าค่ำ ม, มีกล้องไปในโลกล่ า, ล, าล้านปีฟังให้ชัดเต็มตาเสียงแห่งสุญตา่าสุดใจเปิดเปิดปากพูดจาสนธนาธรรมวันยังค่ำอย่าพูดเรื่องเหลวไหลพูดเรื่องดับทุกได้โดยสัจนายไม่เท่าไรเราทั้งโลกผลโศกแลเกิดไม่รอดอาจารย์อุสกิจอยู่เมื่อกี้พทังกระทองได้ <laughs> ต้นไม่รู้ไม่ชี้นี่เอาเปือก ต้นช่างหัวมันนั้นเลือกเอาแก่นแข็งอย่างนั้นเองเอาแต่ลากลิตบรรเลงไม่มีกูของกูสแสวงห า, าแต่ใบต้นไม่น่าเอาไม่น่าเป็นเฟนเอาดอกตายก่อนตายเลือกออกลูกใหญ่หกช่างตั้งเกณฑ์ไว้สิ่งสุดท้ายดับไม่เหลือใช้เมล็ดมันหนักหกช่างเท่ากับยาทั้งหลายเขากลับไปเสกอาถาที่อาถาสัพเพธรรมานานังอภิเนิเวศญายะอันเป็นธรรมะ หลัลหไทยในพุทธธรรมจัดลงน้ำใส่หม้อพอทั่วปยาเที่ยวไฟกล้าเหลือได้หนึ่งหนึ่งช้อนชาสาเวลาพยายามกินยัวฟาหมดสับปะทุก์เป็นโลกอุดรท่องผิดหลายคำนี่นนแต่ดำน้ำจนจนจบขอให้โยมมีมีมีความสุขความเจริญธรรมยื่นไปคิดหลายถูกต้องขอสง่งปรารนานะ